<c oughs> <c oughs> <อ> <os> บางทำกันได้กต่มไม่ใช่สอนอะไรเราเป็นเพื่อนกันไม่มีวิชาการวามลูกที่จะมาสอนพวกท่านทั้งหลายหรกให้ตัวของท่านเองสอนตัวท่านเอง คือศึกษาปรมัทสภาวธรรมถ้าศึกษาแบบโลกสมมติก็ไปเรียนมีสถาบันตะกจิลาต่างๆ ท, ท, ทั่วๆไปหลายท่านที่อยู่ที่นี่ได้จบอะไรมาสูงๆจบเนติก็มีจบปริญญาอะไรหลายๆรูปสำหรับหลวงพ่อเองเรียนแค่สามชั้น ปอหนึ่งปอสองปอสี่เท่านั้นเองปอสามไม่เรียนของเขาลยเขาให้ข้ามชั้นไปเรียนปอสี่ปอสามไม่เรียนพ <c oughs> อที่จะเป็นคนดีด้วยการสั่งสอนอบรมของพ่อของแม่ให้กลัว บ, บาปให้จำไปบุญก็กลัว บ, บาป แล้วกลัวบาปจากได้บุญกลัวตกนรกอยากได้สวรรค์นิพพานก็ไม่รู้อะไรเลย <c oughs> จนได้มาถูกวิธีการปฏิบัติธรรมที่เราทำอยู่นี่เออก็พอที่จะเอาตัวรอดจากบาปอกุศลมีบุญได้ละบาปได้ รู้จากศาสนารู้จากพุทธศาสนาโดยการที่เรามาสอนตัวเราเองสําคัญจริงๆนะการสอนตัวเราเนะีเราหลงเราก็สอนให้เรารู้สิเราทุกเราก็สอนให้เรารู้ไม่อะไรที่ได้บอกด้วยสอนตัวเองตลอดเวลานะเหมือนการศึกษาภาคปรมาศ คือเป็นของจริงที่เกิดขึ้นกับเราเป็นนิสัยอุปนิสัยของเราแล้วก็แก้นิสัยอุปนิสัยของเรามาขอนิสัยมาได้นิสัยใหม่ได้นิสัยจากพระธรรมวินยัยจากพระพุทธเจ้าจากเราพรอสาวกทั้งหลายแล้วก็มาเรียนมาลูกอันนี้ น้านตสัยใหม่ๆจนพ้นภาวะเก่าวันนี้เราก็สอนตัวเราแม่เราจะขอนตสัยจากอุปชาอุปชาก็สอนให้เราสอนตัวเราเองถ้าจะเป็นการติวเรื่องนี้ งันการติววิชาสมมุติบัญญัติของโลกแล้วอาจารย์ตุ่มบกัดก็ได้ติววิชาการสอบเข้าสสถาปัตยมาวิลาัลจุฬามีโลกหญิงโลกชายของ คนผู้ฝ่ายให้โลกได้เรียนสถาปัตต์ก็มาให้อาจารย์ตุ่มติววิชาให้แล้วก็สอบได้ทุกคนสอบเข้าสถาปัตต์ได้ทุกคนอนนี้ทางโลกสมมุติมันทำได้แต่ว่าการที่มาติวให้ถึงมรึงผลเนี่ยแล้วก็ติวอยู่ถ้ามันหลงก็่ลู่เนี่ยติวแล้วถรามันทุกคน่ลู่เนี่ยว่าติวแล้วใครให้ทําให้เราเราทําเอง เป็นการไปจุ่มโหมความหลงไปจุ่มโหมดกบความไม่หลงเราต้องทําเองเราต้องไปเห็นเราเองเหมือนอาหลงพ่อเคยถูกนิมนต์ไปดูการพรัสนาต่างประเทศที่ฟิลิปปินส์เป็นศูนย์กลางของคิดศาสนาที่เอเชียมีอยู่ที่ฟิลิปปินส์ไปศึกษานั่นยีสวันเขาก็พาไปนะ พาไปศึกษาหลายรูปแบบพาไปดูสถานที่ผู้คนที่ดีๆที่โลกสมมุติไปดูสถานที่ที่ผู้คนลำบากยากจนเขาเรียกว่ายาปักยาปักนี่คือไปจุ่มมองไปจุ่มเอาความทุกข์ไปจุ่มเอาควมมาควมสุข มีจริงๆนะไปอยู่บ้านารีสอร์ทชายมหาสมุทรอินเดียเย็นสบายนอนอยู่บ้านรีสอร์ทขึ้นทะเลในมหาสมุทรอินเดียเนี่ยมันใหญ่โตมากปานนี่ปานศาลาหน้าฝั่งมันนะมันถึงเราอยู่นี่เย็นพิ้วๆิวนั่งฉันอาหารอย่วน อ่าชายฟงไกลๆปันนี่ปันศาลาเนานะอ่าก็เย็นสบายคนผู้ดีอาหารก็มีกันดีนะแล้วข็พาท่องเที่ยวไปในที่ปันเจริญเจริญในกรุงมะลีลาไปฉันเครื่องดื่มอะไรต่างๆแล้วก็ไปพาไป อแหล่งที่มันเสื่อมโทรมมีบ้านซาไกลซาไกเช็นซาไกลด้วยพวกชาวป่าชาวเขาตัวเตี้ยเท่าเองแล้ก็อยู่ยากลาบากแล้วก็ไปยู่ดูบ้านสลัมในกรุงมาลีลาเหมือนสลัมในกรุงเทพอันนี้อันนี้ไม่มีแล้วสลัม ให้เลือกเอาแบ่งกันเป็นกลุ่มไปหลวงพ่อก็เลือกเอาไปดูสลํมเห็นเรียกว่ายาปักจะปักจะปักเลยไปจุ่มดูว่ามันจะเป็นยังไงไปดูบ้านสลํมไปอยู่ที่นั่นไปฉันที่นันไปนอนที่นั่นสองคืนจนรู้ว่าเขาอยู่กันยังไงคนสลัมเนี่ยเขาค่อยไปพักบ้านร้างหนึ่งไม่ใช่ล้างหนึ่ง คาท้อหลังหนึ่งเจ้าของก็ออกไปให้เราไปพักโบนกับคนอื่นเขาบ้านหลังนั่นที่เราไปอยู่นะ่ะมีผ้าพรมขาดขาดปูไว้ขา ด, ข, ดขาดจริงนี้งนะไก่วกกะแว่งไปแล้วมีฝาก็กระดานไม่ตัดเก่าๆ ก, กระดาษเช็ด มาตีเป็นฝาแล้วก็ห้องน้ำก็ปิดพอไม่ไม่อายแล้วถังใส่น้ำก็เป็นเก็บมาได้จักขยะแตกๆปากแตกๆปากแววงแวงใส่น้ำได้ครึ่งเดียวน้อยๆแล้วก็ไปกันสองสามลูกอยู่ด้วยกันเป็นพระผู้มีอายุหน่อย สำหรับพวกนุ่งๆก็ขึ้นไปดูเชาเขาสาไกลครับเราก็ไปบ้านสลัมแล้วก็ร้อนเวลาไปถึงเทียนร้อนมากเหงื่อไหลโสมเลยก็ธรรมด า, าเราไปที่ไหนก็ต้องล่างเท้าดูห้องน้ำเข้าห้องน้ำเพราะเราไปดูห้องน้ำเนี่ยโอ้ยน่าสมเพช อ่าน้ามีน้อยเดียวถ้าเป็นกระป๋องวันเราก็ขึ้นกระป๋องแล้วอยู่กันอ่ะวันหนึ่งกับคืนหนึ่งแล้วจะใช้หน้ามอย่างไรงร้อนก็ร้อนไปดูหน้ํจาจะล่างขาก็ไม่กล้ า, าจจะแปลงฟันก็ไม่กล้าเลยเอาเลยเอาน้ําใส่กระเทกน้ำเนี่ยไปล่างหน้าแปลงฟัน นิดหน่อยพอเป็นยา เ, ยเราก็นอนเหงื่อนเลย เ, ยเราจะมาพูนมานอนเนี่ยผ้าพรมเก่าเก่าเหม็นสาบด้วยดําเปืเป้อนแล้วก็ผ้า อ, อาบน้นําเนี่ยปูลงไปแล้วก็ฝ้าบาดเป็นหมอนนอนนอนแบบยอมยอมเหมือนกับราประหยัดอาหารน้อยๆ ย, ยอมยอมรู้จักยอมไหม รู้จักประหยัดประหยัดตนอนประหยัดเนี่ยราดไม่ได้นะกระดูกกระเด็กไม่ได้มันจะตกไปสู่ผ้าปมที่เขาปูไว้มันจกปกเอากระพ่าน้ามขื่นแค่นี้เอาผ้าปูแล้วก็เออเอ า, เอาบาดทําเป็นหมอนนอนตะแคงระวังดีๆอย่าให้กระดูกกระเด็กเยอะมันจะเลื่อนออกจากผ้านอนนะควรจะนอนนี่ทำไมเหรอมันสมมันเหนียวโอ้ย ไปลักอาบน้ําไปขโมยเพื่อนเพื่อนกเ้ามไม่อาบน้ําเลยนะเราอาไม่ได้น้ําเนี่ย <c oughs> มันอยู่ไงก็ดูไปก่อนแล้วพ่อก็พอเพื่อนนอนแล้วพ่อก็ลุกไ ป, ไปอาบน้ายังภูมิใจอยู่ทุกวันเนี่กับความทุกข์นะอาบน้าน้ำ น, น้อยๆทาไมเอาเอากระปอกแก้วที่ติดตัวไปเนะียก็ บ, บอกกันอนะ่าเตนเนะ็ตน้อยที่ติดไปกับ กระติกน้ำเราเจียมไปใช้ของเราอย่างเราจะยกกระติกน้ำนี่ขอตักสักห้าห้ากัดหน่าห้ากระปองน้อยๆเราดูซิอาบน้ำเราดูซิมันใจสำเร็จไหมแล้วก็มัน่นใจว่าต้องสำเร็จวางแผนตัดน้ำตัดน้ำขึ้นมาทำยิ้มนะใช่ไหม ไม่ใช่ไปเครียดไปแข้งไปคือมไรยิ้มแย้มจะเร็วอึ้ยขั้งหนึ่งชีวิตเรานะแล้วก็ตักน้ํามาแล้วก็จับสบู่มาพอลีนน้ำเสร็จหัวก็ถูสบู่ไปด้วยลีนไปตกไปเจนไหนก็ถูสบู่ไปน้ําก็บอกน้อยๆหน่ยถูสบู่หมดเลยถูเปียกไปทั่วเลยค่อยๆเทใส่เทใส่ไม่ใช่ทิ้งกายมั น, ม น, มนเราอาบในบัดานเ่ยนะ ก็อรอดในวัดนี่ถูกเราก็ส่สวนหนึ่งไม่ถูกอีกอาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้แล้วก็เทไปน้ำไหลไปตรงไหนก็รูปไปตรง น, นั้นนะก็ถูเสบือรูปไปแล้วมาจนน้ำแห้งจนหดเปียกถูกไปแล้วก็อาอยกระบอกที่สอง ดินไปถูไปอย่างนีก้กี่ถูไปถูไปบางไม่บ้างเอาถูมาใส่ค่อยๆดินน้องอ่าห่างค่าก็บอกสเตนเดดได้น้อยละนนะโอ้ยเดียบรลอยถูอดือดอดือดอดือดโยผมใจ่อยที่สุดอาบน้ําห่างก็บอกสเตนเลดอันไม่หูเคยมีไหมคิดต้องอยู่อันไม่หูไม่ใช่หูแบบจูอาจารย์ตุ้มใช่นะหูน้อยอ่า ภูมิใจเท่าทุกวันนี่นะการทำอะไรที่มันไม่สะดวกกันะมันเป็นหน้าภูมิใจอยู่ความทุกข์ความลำบากเป็นหน้าผ้าภูมิใจนะเรียกว่าอย่าปักไปจุมเอาไปจุมเอาความสุขก็ไม่ได้สุขไปจุมเอาความทุกข์ก็ไม่ได้ทุกข์เป็นไปได้ไหมพวกเราถ้าไม่ทำใต้ตรงนี้ล่ะจะ ไม่สะดวกในการใช้ชีวิตในโลกกับเก่าต้องฝึกตนเองต้องสอนตอนเองใครบอกให้อาบนา้ำเพียงวันละหากับติ๊กตายน้อยเนี่ยไม่ไ ม, มีใครบอกเราก็ประสบการณ์ถึงข้าวหิวสนุกหิวเหมือนกันแทนที่จะเป็นทุกข์สนุกหิวข้าวสนุกกินข้า ว, ก, าวก็มีเหมือนกัน ถ้าเราสนุกแบบปัญญานะมันจะเป็นอันเดียวกันความความสนุกกับความทุกข์ความสนุกกับความสุขอันเดียวกันไม่ใช่สุขเราบวกเข้ามาดีใจใจไม่ได้ฟูได้แฟบเป็นปกติอยู่นี่คือสิ่งที่เรามาสอนตัวเรามาฝึกตัวเราคือเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่ที่จะให้ปัญญาแจ้ท่านได้ฌานนั่นได้ฌานนี้ ไปแล้วอันนั้นไม่มีชานนี่คือเพ่งเผาเผาตัวเองให้มันไม่ไปให้มันเสียหลายไปชานตนัวไหนเผาอะไรเผาความชั่วต่างๆให้มันหมดไปอย่าให้มีตัวเมีตนคาว่าชานเนี่ยไม่ใช่เข้าชานไม่รั่อะไร ไ, ม, ไม่ใช่ไหมคำว่าชานตนนชาปะัะญชาปัญ คือเขา้าคือเพ่งเขาความไม่ดีทั้งหลายฤทธิ์ที่คือทำให้สำเร็จมันทุกข์ก็สำเร็จแล้วไม่ไม่เป็นผู้ทุกข์สำเร็จแล้วมันสุขไม่สุขเป็นผู้เห็นมันม่สำเร็จแล้วเรียว่าฤทธิ์ที่ทำได้เนี้ยเรียว่ามีมีฤทธิ์ถ้ามันโกรธไม่โกรธเห็นบันถ้ามันสุขมันทุกข์อะไรในโลกนี้ที่มันมีในโลกเนี่ย ไม่เป็นไรไปสักอย่างเลยเราว่างเปล่าอยากความหมายแห่งความเป็นตัวตนถ้าจะดูแลตัวเองไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรที่บเป็นสุขเป็นทุกข์เออถ้าเป็นอย่างนี้เหยียบมันได้เลยแหลกไปเลยโลกเนี่ยถ้าเรายังยองยอ ง, ยองโยู่กลัวนั่นกลัวเป็นทุกข์กลัวจะไม่มีสุขกลัวจะไม่สะดวกสบายอั่นแหะแน่นอนลราต้อง ต้องประจบกับกลมศุกต้องประจบกับกลมทุกเป็นไม่ใช่ชีวิตแท้ของเราชีวิตแ ท, แท้คือไม่เป็นอะไรคือไม่เป็นอะไเป็นอะไรเป็นกรรมฐานกรรมฐานคืออะไรสลายตัวเหมือนนิทานจระดกจำไหมชี้ตรงอยู่ชี้น้อยชี้แจวแล้วจจะดกขอยกกระจิบด้อยนกกระจิบด้วย หาจิ้เกย่ อ, อยูอ่อยู่กับก้อนไถนาชาวนากําลังหาตอห่อเดื่อกจิ้งเกย์ไปนี่เหี่ยวมันเห็นกนกกระจาบมาาโฉบเอานกกระจบาบอยู่ในอุ้งเด็บของเหยี่ยวกนกกระจาบด้วยตัว น, นั้นตัวนั้นมีกรรมฐานหายตัวถ้าจะมีก็มีแต่กระดูก ไม่มีตัวตอนอะไรมิเต็กระดูกก็อมองสนุกกันเลยอมองสนุกไป้้าใหกระดูกมันเหี่ยวก็เป็นกระดูกดกันหนึ่งนกก็กกเจ็บมากระเป็นกระดูกกระดูกเก่ากระดูกไปจะเอากันไปไหนเนา <laughs> ะเราก็หยุบหน่อยอดูอยู่น่ะสนุกขณะที่อยู่ในเล็บของเหี่ยวอมองสองเงน ตัวเขามันเลยก็มีกระดูกตัวเหี่ยวตัวที่มันเอาไปเจ้าเราไปกินก็เป็นกระดูกนะเรนที่สุดนกกระเจียบน้อยมองแบบตะบะการเข้มแข็งไม่เปลี่ยนแปลงไม่กลัวไม่กังบนเรื่องจะตายจะเป็นไงไม่กลั ว, ม, ลวมีแต่มองเห็นโคงกระดูกมีแต่กระดูกกับกระดูกเอาไปมาขณะที่นกกระเจยบน้อยมองตัวของเรา งองเหี่ยวเป็นกระดูกปรากฏว่าเล็บเหี่ยววางมือวาง น, ก ก, นกกระเจีบนกกระ่จี๊ยก็หลุดออกจาเล็บของเหี่ยวก็บินลงมาเหยียวก็บินไปกระดูกต่อกระดูกเป็นจะไปทางไหนเนอนกกระเจน่กกะก็คืนไปหาจินเดีย๋ยวตามเหี่ยวก็ไปของเหยียว อ น, นี้แรงเขากรรมาฐานมองชีวิตแบบสลายหายตั่วให้ทำไรเนี่ยถึงเขาเคยเจ็บตายต้องใช่เรื่องนี้นะต้องแน่นอนการเกิดการแจกการเจ็บการตายแน่นอนที่สุดไม่มีใครยกกันได้ถ้าไม่มีอย่างนี้เป็นเครื่องมือจะอยู่ตรงไหนกันนะพวกเราะจะเอาเงินเอาทองมากองเอาไว้มันก็ใช่ไม่ได้ต้องมีกรรมาฐานนี อาชาญมีศิละปะมีความรู้อย่างนี้ไม่ใช่ความรู้ทำเป็นทําเป็นทํา เ, เป็นแล้วนให้จุ่มลองดูเราวมอยจุ่มจริงๆเป็นยาปักกาจ๋าของนักสอนศาสนาของเขาคิดศาสนาเขาออยาปักมาจุ่มอยู่มอยจุ่มอยู่จุ่มลองดูจุม่มความเหน็ดความเหนื่อยให้มันเกินดันไป แม่เราทำความเขียนเราเดินจงกรมเรานั่งสร้างเยอะถึงข้า ม, มันเหนื่อย <c oughs> ก็อย่าให้ความเหนื่อยพาเราหยุดพาเราทำให้มันเกินไปอหัวเราะมันเหนื่อยให้เราหยุดของเราเองถ้าเดินอยู่มันเหนื่อยปวดขาล้าแช็งก็อย่าให้ความเหนื่อยมันบงังคับเราให้พาหยุดเราหยุดของเราเองเห็นแล้วก็เดินไปสบายอย่าให้มันสั่งได้เห็นความเหน็ดความหน่อยนะ เราจะอยู่ของเราเองเราจะทำของเราเองเราจะรู้เองเราตัวนี้คืออัตตาเิเอตโนราโถตัวไม่เป็นอะไรนี่ยเป็นตัวเราตัวที่ที่จะพึ่งเราอตัตตาอัเตโนราโถเป็นที่พึ่ ง, งกันเกษมไม่ใช่ตัวเราคือรูปร่างอย่างนี้รูปร่างอย่างโน้นรูลร่างอย่างนี้สุขภาพดีสุขภาพไม่ดีอันนั้นไม่ใช่ตัวเราอันนั้นเป็น ของปอมนะตัวเราจริงคือตัวฝึกฝนตนแดงเหนือกันใดๆทั้งหมดน่ะเรามาดูมาจุ่มลองดูมันสศกก็เห็นมันมันทุกข์ก็เห็นมันมันลูกก็เห็นมันมันไม่รู้ก็เห็นมันมันเป็นอะไรมันร้อนมันหนาวก็เห็นมันมันทั้งมีมีให้เราศึกษาอันกองรูปกองนามเนี่ย เมื่อวานหลวงพ่อได้พูดถึงกองรูปกองน้ําไม่เคยได้ยินเลยเรื่องรูปเรื่องน้าําอหลวงพ่อเทียนมาสอนเร า, เาถ้าจะมองผิวเผินรูปมันก็มีเนี่ยถ้าไม่รูปรูปมันจะไปรู้อะไมันก็เห็นอยู่เนี่ยอรูปมันเป็นของเราอย่างไรมือนกันร่อนมันก็เราก็ร่อนริงเกงมันหนาวเราก็หนาวยิ่งเกงเน่ะมันหิวเราก็หิวยิงเกนะ่ย นี่คือรูปของเราเถ้าเราจะแก้ความหิวเราก็ไปกินข้าวเอารูปของเราเนี่ยจะช่วยรูปของเราถ้ามันร้อนเราก็ไปอาบน้าถ้ามันหนาวก็มัมผ้าอันนี้เป็นของเราของเราแต่ก่อนมันก็มีความเป็นกับสภาพอย่างนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์พนเปอร์เซ็น๋อหลวงพ่อเทียนมาสอนให้เรารู้จักรูปรู้จักนามมันให้เป็นอย่างนั้นเสร็จแล้ว มันเป็นอันหนึ่งเป็นอาการอันหนึ่งความร้อนเป็นอาการของรูปนั่นความหนาวเป็นอาการของรูปนั่นความหิวเป็นอาการของรูปเห็นมันแต่ก่อนหิวเป็นทุกข์ร้อนก็เป็นทุกข์หนาวก็เป็นทุกข์เก็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกข์พอมาเห็นเป็นรูปเป็นนามไม่ได้ทุกข์เลยบัดเห็นเป็นอาการของเขาความหิวขอบคุณเขาที่เขารู้จักหิว ความป่วยความเหน็ดความเหนื่อยเขาขอบคุณเขาที่เขารู้จักเหน็ดเหนื่อยเมื่อไล่ะยุงกัดมันเจ็บเขาขอบคุณเขาที่เขารู้จักแกบปวดจะได้ช่วยเขาถ้าเขาไม่รู้จักแกบจะปวดมันก็อันตรายมันไม่รู้จักหิวมันอันตรายอันตรายถ้าไม่หิวถ้าไม่ร้อนนะเพราะจริงเราหน้าน้ำเป็นอาการเป็นธรรมชาติของลูกอะอาการของน้ำ ของนามคือจิตใจความโกรธเป็นอาการของนามความทุกข์ความไม่ตกกังวลเหมองเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับนามกับจิตใจไม่ใช่เราเห็นอาการเหล่านั้นที่มันเป็นของที่มีอานาจให้เราได้ยอมจำนนต่ออาการพอมาเห็นเป็นรูปเป็นนามอ้าวมันเป็นอาการนั่นเนี่ไม่ใช่เราอะไรที่ไหนเลยความโกรธก็ไม่ใช่เรา ความทุกข์ความพิถุกังวลเสมองไม่ใช่เราเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยคือเนื่องด้วยปฏิจจสมุ ป, ปบาทดางที่พูดเมื่อวานเนี้เนื่องด้วยกันมามาต่อถึงนั้น น, นี่เรื่องน้นเรื่องนี้เกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดทางรูปธรรม ท, ทางนามธรรมอย่างที่เราไล่เมื่อวานเนี่ยสังขารคอยเกิดนามรูปนะไม่ใช่เกิดรูปนามนะ นามรูปก็ให้เกิดอายยตระอายยตนะก็ให้เกิดปัจจะนามรูปมันเกิดจากอายยตระถ้าเห็นรูปหูดยินเสียงจมูกได้กลิ่ น, นลิ้นได้รสกายสมัมปชีตใจชินดึกอันนี้มันเกิดทางนี้นี่ว่านามรูปมันเกิดจรงนะันเกิดทางรูปนามเกิดมาครั้งเดียวเกิดจากคันมันดา อันเกิดน no ํามรูปมันเกิดถื่อยไปเกิดเจ็บเกิดเจยตายไปเกิดลักเกิดจังตายไปเกิดความร้อนความหนาวเกิดเดินเดินนั่งนอนมันตายไปเป็นพวกเป็นชาติเป็นชิลามนละความสุขเป็นสุขความทุกข์เป็นทุกข์ความทุกข์เป็นสุขก็มีความสุขเป็นทุกข์ก็มีถ้าด่าเขาก็ดีใจแต่ข่าเขาก็ดีใจความสุขของเราอาจจะเบียดเบียนคนอื่นได้ความทุกข์ของเราก็อาจจะเบียนเบียนคนอื่นได้เช่นลูก เกเรไม่เชื่อฟังพ่อแม่พ่อแม่ก็อาจจะเป็นทุกข์ได้มันเกี่ยวข้องด้วยกันถ้าเราไม่รู้นะพัวพันเงินไปหลายอย่างมากมายแต่ความชั่วเลวทามของคนทั้งหลายทำให้เดือดร้อนประเทศชาติบ้านเมืองนะมันก็เป็นไปต้องมีกองทัพมีจัตตาอาวุธมีตัวบทคนหมายมีรัฐธรรมนมูญมีคุกมีตาราง มีโทษหนักโทษเบาเพื่ออะไรเพื่อมาให้คนได้อยู่เย็นเป็นสุขมันก็ยังไม่เป็นสุขถ้าเราไม่มาดูตัวนี้จริงๆนะถ้าเรามาดูตัวเราจริงจะเห็นรูปเป็นนามทุกคนดูแลตัวเองดูแลตัวเองคุ้มเลยไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่เราไม่เป็นพิดเป็นภัยแกคนอื่นไม่เบียดเบียนตนเองและไม่เบียดเบียนคนอื่น ถ้าเป็นอย่างนี้ล่ะสันติสุขสันติภาพเขาเกิดขึ้นในโลกทันทีไม่มีวิธีอื่นใดเช่นต้นไม้มันเป็นวัดถุกอาการที่มันเกิดจาบนดินมันก็มีใบไม้ถ้าใบไม้เหมือนกับความชั่วของคนเดี๋ยวนี้เราก็ไปปิดใบ้ม้ทิ้งไปเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้มีใบไม้ หมายถึงคนที่ชั่วเหมือนใบไม้มันงอกขึ้นมาแล้วก็เพียงแต่ว่าไปปิดมันซะคนไหนชั่วก็จับมันซะฆ่ามันซะแต่รู้ไหมว่าใบไม้ที่มันเกิดขึ้นมามันไม่ใช่ไปปิดกัปโชาตานมันต้องมีรากมาีวัตถุการมีดินมีวัตถุที่จะวัตถุอาการที่มันเกิดขึ้นได้เรียกว่าวัตถุอาการวัตถุก็คือตาคือหู อาการเคอมันเห็นเมื่อมันเห็นก็มีสมมติเข้าไปรองรับสมมุติบัญญยติว่าชอบว่าไม่ชอบเมื่อชอบก็มีอุปทานเมื่อไม่ชอบก็มีอุปทานอุปทานในความไม่ชอบเขาว่ากัเราเขาว่าก็เราเราไม่ชอบก็อยากให้เขาว่าอย่างนี้ก็ทำชั่วได้มันเกิดที่ตรงนี้ถ้าเราจะปราบความชั่วของของคนเราก็ต้องมาดูแลตรงนี้กันช่วย ศึกษาตัวเองมาช่วยอสอนตัวเองมาช่วยดูแลตัวเองอย่างนี้นะมีอะไรอ่ะเรามาพูดกันเรงนี้เราก็มา อ, อยู่ด้วยกันเรื่องนี้ไม่ใช่อะไรหรอกไม่ใช่จะมาสั่งมาสอนแล้วก็มีคนดูแลมีผู้ดูแลผู้เป็นเพื่อนอวันนี้ก็เห็นอาจารย์ประเทศทาง อาเวรุวันสอนพระนวะกะสอนพระใหม่เนี่ยช่วยกันตอนเย็นหลวงพ่อก็มาพูดที่นี่มาช่วยกันนะเราไปช่วยตัวเราเองเนี่ยเนเพื่อนกันอย่างนี้นะทุกคนก็ทําอย่างนี้นะเราก็มีเรียกว่ามีบุคคลละจัปปยะบุคคลละจัปปยยะผู้พูดให้ฟังผู้ที่ฟังเรียกว่าบุคคล ผู้พูดก็มีผู้ฟังก็มีบุคคลลจัปปะยะไม่ใช่ไปพูดให้เสาสาลาฟังผู้ดใดคนฟังเรียกว่าบุคคลละจัปปะยะสิ่งที่พูดก็ให้เห็นมันมีอยู่กับเราหรือว่าธรรมระจัปปะยะธรรมมันคือความชั่วก็มีความดีก็มีมีไหมในตัวเราความทุกข์ก็มีความโกรธก็มีความโลภความหลงก็มีมีไหมในตัวเรา ความไม่ทุกข์ก็ไม่โกรธความไม่โลภไม่หลงก็มีมีไหมสือเรามีเรียกว่าธรรมชาติปปะะัญญที่อยู่อาศัยเสนอาชา ป, ปะะัญญาแย่แดดลมและจัดเลคานได้ไหนก็ได้เวลาฝนตกก็เข้าไปอยู่ในกติของตนเสนอาชาณปัญญาะะพอบป้องกันเหลือบยงลมแดดและสัดเลคานได้ไม่ใช่ไปนอนในผานในดง อาหารแลสัพยะอาหารแลสัพยะก็มีพ อ, อได้อเป็นไปเพื่อความไม่เพื่อเพลินสนองสนานเป็นไปเพื่อความไม่ประดับตกแต่งเป็นไปเพื่อความไม่โมเหมาต่ให้เป็นไปเพื่อตั้งอยู่ในร่งกายนี้เพื่อมีชีวิตอยู่ประพฤืปชปมจันทร์นี่เราใช้ชีวิของเราชนะชนะสัพยะมีอะไรส า, ราหน้า อาสนะสาราที่นั่งฉันสารหอไตคือมีเรื่องศึกษามีการปฏิบัติธรรมในการทำวัดรรมิธีล้วก็ทำให้แม่นยำพาสวดพาสาธยายครับที่เราสวดแม่นยำจริงๆไม่มีปุงปุุงแต่งแต่งเอาของจริงมาสอนเลยว่า อตักกศิลาได้ไม่ต้องไปอยู่ที่ไหนตักกศิลาคืออยู่ที่พวกเราเนี่ยศึกษาอยู่นี่ตลอดเวลามีลานหินค้งมีสลากไก่หัวไก่ลานเห็นคงมีอะไรที่พอที่จะสะดวกให้เราได้เพลินไปกับธรรมชาติไม่ปรุงไม่แต่งอะไรมากมายนะ ไม่ต้องหรูหราเรียบอยู่ประยับพออยู่สบายสบายเรียบเรียบง่ายๆอย่างนีนะ้อย่างสมัยก่อนเนี่ยหลวงพ่อ ก, ก็อยู่นี้แล้วก็เวลาจะปิดการปฏิบัติธรรมตามกำหนดของกลุ่มต่างๆที่มาให้เขาดูที่ว่าอะไรที่ควรแก้ไขอย่างไงที่นี้ แต่ก่อก็ไม่มีอะไรดีเลยเขาก็ทางเดินไปอ่าฉันอาหารก็ลุยน้ําไปน่าจะไม่ลุยน้ําเขาไม่อยากอยากเหยียบน้ําเขาไม่เขาไม่อยากเหยียบน้ําไม่อยากเลยถ้าอาไปถูน้ำํำเราก็ทําไม่ได้เพราะต้องใช้ทุนต้องใช้เงินต้องใช้ตงแต่ก่อนมันก็ไม่เป็นอย่างนี้นะ มันอาจจะละบากปกปนี้สักหน่อยหนึ่งแต่นั่นลนะ่ะเป็นเป็นความประทับใจของพวกเราถ้าใครได้ทุกได้พจจนกับกลมทุกต่างๆมาจะเข้มแข็งนะเหมือนหลวงพ่อไปอินโดนีเซียไปดูภูเขาไฟเวลนหลุมภูเขาไฟหลุมภูเขาไฟนั่นหนาวหนาวเป็นน้าแข็งขึ้นไป แล้วพก็เดินไปกับอาจารย์ปสานเดินไปก็มีมา้าตามไปถ้าเดินไม่ไหวก็ให้ขี่ม้าได้มันหนาวเป็นเจ็ดนบําแข้งลุยไปท่านอปไปไปทําไมลนะ่ะเนี่ยไปดูไปดูไปลุยนําแข้งไปดูป่องปลุกไฟมันระเบิดแล้วมันยังไม่มอดแต่ว่ามันระเบิดแล้ว แต่ว่การเดิไปดินไปมันก็มีอายุมากไม่ไม่แข็งแรงมันจะไม่สานนะก็เลยโอ้ยจะไม่สานคงคงสู้ไม่ได้หรอกมันขามันมันหวดแล้วขี่ม้าขี่มา้าเขาอม้ามาขีาข่นั่งม้ากจูงม้าวิ่งบ้างเขก็วิ่งไ้กับมาบ้างขี่ม้าไปให้ไปก็ขึ้นไปเป็ น, นคันูเล็กๆกขมๆเหมือนกับลงังมือตรง มองไปทางหลุมโผล่ไฟยังลุกอยู่ลุกอยู่ถ้าคัดตกลงไปมันไม่มีที่เกาะเลยเป็นหลุมโคบสู่พลอยไม่เลยแล้วมีคนที่มีความกล้าหาญเดินไต่หลังเขาคมข่มมาไปรอบหลบหลเรานี่จะไปยืนเขาต้องมีเหลาเหล็กไปขวงกันแต่คนที่ผจญไปแต่เฉพาะพวกฝรั่งเขาเป็นนักผจญไัยเขาเดินเติม โอยเราดูก็ไม่อยากดูแล้วมันเหมือนคนปีนน้าผานะมันเสียวแต่เขาผจญภัยผจญแบบนั้นก็ได้อยู่แต่ว่ามันไม่ใช่ผจญแบบเราผจญแบบเราเนี่ยเอาสู้ที่มันหลงเป็นไงมันทุกข์เป็นไงผจญไหนผจญกระกพุ่มทุกข์ผจญกับพุ่มหลงบ้างไหมหรือว่ายอมมันตะเปิดตะือ มันโกรธก็ไปทำความโกรธมันรักก็ไปทําความรักอันนั้นไม่ไปจนไผ่ไม่เก่งนะไม่เข้มแข็งไม่เป็นสัตบุตรไม่เป็นพระได้ถ้าไม่ไปจนตรงนี้นะมันหลงไม่เป็นผู้หลงเห็นมันหลงไปจนแล้วมันทุกไม่เป็นคนทุกเห็นมันทุกเห็นมันไปจนไผ่ไม่มีภัยแล้วไปจนได้แล้วไม่กลัวแล้วอย่างนี้ นี่ก็พูดให้ฟังอย่างนี้ที่เราศึกษาอยู่เวลานี้ไม่ใช่จะมาเอาดีจากหลวงพอ่อหลวงพ่อไม่มีอะไรขี่ไร้ขี้เล่กว่าพวกเราที่นั่งอยู่นี่แกก็เป็นทนเดนของโลกกว่าได้น ะ, นะเอาเราก็ดื่อแล้วฉันก็ไม่กล้าไปฉันกับเพื่อนมันฉันไห้ดิมันเสียหายหมดเลย ไม่ค่อยดีจะมาเอาตัวอย่างอย่างเนี้ยหลวงพ่อไม่พลาดสังขารติเหมือนพลาดทั้งหลายบางทีหลวงพ่อก็มาทํางานที่นี่ก็ไม่ได้กลับกติไม่ได้เอาสังขามามาทางานไปสื่อต้นไม้แต่ง่าเช่าป๋าตลอนตลอดไปใชยภูมิไปหาใช้ภูมิไม่มีมรกรอุ้ไปแข่งข้อไม่มีใช้ภูมิก็ไม่ ก็มาเขนว่นเอออยู่มันจ่าชิลีเคยไปแวะชื่อกับอาจารย์ตุ่มหากับจักรนาเชื่อกวะดู เ, เห็นเท่นไหร่เขาเกวิ่งไปมันจา่าโน่นใกล้ๆพิษบุไม่ไปได้ทีนั้นมาร้อยต้นพอมาแล้วก็อาจารย์ปรเทศก็กำลังวบวายไปไปไ ป, ปรพวมกันคอช่วยกันแป๊บเดียวเสร็จเลย ถ้าลวพ่อปลูกก็สองวันอันนี้ปลูกไม่ถึงชั่วโมงพระไปช่วยเติมน้ำแล้วบบเดียเหลือแต่แตงปลูกเรียงที่ตรงอยู่นะปลูกต้นนั่นนะอฝักทองฝักทองก็ปลูกตามกองไม้นะให้มันขึ้นขึ้นคมกองไม้โปูกไปแตงปลูกเล่นงแต่ชนุกสนานครับไม่ใช่แบบ เกษตระกูจะได้ทุนหรือเปล่ากูจะได้กําไรหรือเปล่ากูจะได้กินหรือเปล่ามาคิดแบบนั้นถ้าไม่ได้กินก็ไม่เป็นไรถ้านกกินก็ไม่เป็นนกกินเป็นทานคนกินเป็นบุญไอ้คิดนี้ใช่ไหมอ่าอ่าเราคิดแบบนี้กันได้บุญตั้งแต่ปลูกแล้วน้าใจเราดีแล้วอ่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วในปลูกแล้วอ่าเอาก็ รบควรจะราจะหนุนกีลาไว